เราทุกคนต้องการความสุขกันไม่ต้องการความทุกข์กันพวกเราพยายามหาความสุขกันพยายามหนีความทุกข์กันแต่ทำไมความทุกข์มันจึงไม่หายไปเสียทีเราหนีมันมาตั้งแต่เกิดเจอความทุกข์เราก็หนีมันไม่ต้องการมันเราคอยหาแต่ความสุข แต่ทำไมความทุกข์มันจึงไม่หายไปความทุกข์มันตามมาอยู่เรื่อยๆความสุขที่หาได้มันก็หายไปของที่ไม่อยากให้มันหายมันหายของที่อยากให้มันหายมันไม่หายอยากให้ความสุขมันไม่หายแต่มันชอบหายไปเรื่อยอยากให้ความทุกข์มันหายแต่มันไม่ยอมหายเดี๋ยวก็ตามมาลังควานใจเราอยู่เรื่อย ให้เราไม่สบายใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราหาความสุขที่มันมีความทุกข์ติดมาด้วยนั่นเองความสุขที่เราหากันทุกวันนี้เป็นความสุขที่มันมีความทุกข์ตามมาเราหนีความทุกข์ด้วยการไปหาความสุข เราไม่รู้ว่าความสุขนี่มันมีความทุกข์ติดมาด้วยไม่เชื่อลองคิดดูสิพอได้อะไรมาแล้วได้ความสุขแล้วเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ตามมาเพราะว่าความสุขที่ได้มันหายไปเลยมันหมดไปพอมันหายไปหมดไปความทุกข์ก็ตามมาเช่นเราหาความสุขจากเงินทอง พอเรามีเงินทองแล้วก็ใช้จ่ายกันมีความสนุกสนานมีความสุขกันแล้วเราก็ไม่ระวัดระวังใช้ไปใช้มาหมดหมดแล้วยังไม่หยุดใช้ต่อเพราะสมัยนี้เขาให้ใช้แบบเป็นนี่ได้อใช้ไปก่อนแล้วจ่ายทีหลังอพอมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวแบนนี่บานเลย ตอนนี้ตอนนี้เป็นนี่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ก็เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองนี่เพราะเงินทองมันใช้แล้วมันหมดถ้าใช้แล้วมันไม่หมดก็ดีใช้แล้วมันหมดพอหมดแล้วไม่พอใช้ก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ต่อแล้วพอ ไม่มีปัญญา จ, จะใช้นี่ก็เดือดร้อนเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือเรื่องของความสุขที่เราหากันถ้าเราหาความสุขจากเงินทองหาความสุขจากการได้เป็นใหญ่เป็นโตทุกคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากเป็นหัวหน้าอยากจะมีบริสัทธ์มีบริวาร มีลูกน้องสั่งการได้มีอำนาจอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันแต่ตอนที่เป็นใหญ่เป็นโตมันก็มีความสุขกันพอมันหมดไปพอไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตทีนี้ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาดูยกตัวอย่าง พวกข้าราชการทั้งหลายตอนที่เข า, ายังไม่ได้เกษียณอายุเขาก็มีตำแหน่งเป็นนั่นเป็นนี่มีลูกน้องมีบริษัทมีบริวารคอยรับใช้รับคำสั่งมีอำนาจสั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้พอพ้นจากตำแหน่งไปพอเกษียณอายุ นี้ไม่มีลูกน้องไม่มีอำนาจสั่งใครไม่ได้อยู่บ้านเหงาเศร้าซร้อยงอยเหงาอันนี่คือความสุขที่ได้จากยศความสุขที่ได้จากลาบก็คือเงินทองถ้าได้แล้วไม่ละมัดระวังใช้แบบไม่มีขอบมีเขตเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้ามีตำแหน่งหลงและเลงกับตำแหน่งพอพ้นจากตำแหน่งไปก็กลายเป็นคนธรรมดาไปไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่มีอานาจสั่งการสั่งให้ใครเขาทำอะไรได้รางวัลก็คือสรรเสริญราบยศแล้วก็สรรเสริญสรรเสริญเราก็อยากให้คนเขายกย่องเรา ให้เกียรติเราให้รางวัลเราว่าเป็นคนดีเด่นเก่งทางด้านนี้เก่งทางด้านนั้นได้รับรา ง, งวัลเหรียญทองต่างๆเป็นนักกีฬาก็ได้เหรียญทองซีเกมเอเชียนเกมส์โอลิมปิกได้แล้วก็ดีอกดีใจแต่พอครั้งต่อไปไปแข่งแพ้เขาก็ไม่ได้เหรียญ ก็เสีย อ, อกเสียใจ น, นี่คือความสุขที่เราหากันมันจะมีความทุกข์ตามมาเสมอความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอันนี้ก็เหมือนกันเวลาได้ไปเที่ยวก็มีความสุขพอไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่มีความสุข ต้ อ, อยู่บ้านก็อยู่แบบเหง า, า, ว, าว้าวเวเพราะบางทีเงินไม่มีไปเที่ยวเอหรือบางทีร่างกายไม่สบายหรือร่างกายพิการไปอถ้าพิการเดินเหินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นจะไปเที่ยวไหนสักทีก็ต้องอาศัยคนอื่นเขามารับใช้ถ้าเขาไม่ว่างก็ไปเที่ยวไม่ได้ นี่แหละคือความสุขที่มีความทุกข์ติดตามมาเราพยายามหนีความทุกข์กันแต่ทางที่เราจะหนีเรากับเดินเข้าหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราเดินไปหาความสุขที่มีความทุกข์นั่นเองความสุขที่ไม่มีความทุกข์เราไม่ไปหากันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้กันเราจึงต้องมาหาคนที่รู้ คนที่รู้ความสุขแบบไม่มีความทุกข์ก็คือใครก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองนะพระพุทธเจ้านี้เป็นคนแรกที่ค้นพบความสุขแบบไม่มีความทุกข์แล้วพอท่านรู้แล้วท่านก็เอามาสอนคนอื่นคนอื่นเมื่อได้ยินได้ฟังก็ไปหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบพอได้พบกับความสุขแบบนั้นแล้วก็ กลายเป็นสาวกขึ้นมาเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาท่านก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาวัดวารามเนี่ยที่เราไปเนี่ยไปเพื่อไปศึกษาหาวิธีวิธีที่จะให้เรามีความสุขโดยไม่มีความทุกข์ตามมา คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสั่งคำสอนให้เราหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์นีถ้าเราเชื่อแล้วเราเอาไปปฏิบัติตามเราก็จะสามารถมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ตามมาต่อไปได้แต่เราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือพระ อ, อริยสงสารกสอน หรือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกศึกษาแล้วทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนให้เราหาความสุขจากอะไรขอให้เราหาความสุขจากการทําบุญทําทานให้เราหาความสุขจากการรักษาศีลให้เราหาความสุขจากการภาวนาปฏิบัติธรรม การภาวานานเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาสมถภาวานาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิมีปัสฉนาภาวานาเป็นการปฏิบัติปัญญาเป็นการสร้างสมาธิสร้างปัญญาการกระทาเหล่านี้มีแต่จะให้ความสุขเพียงอย่างเดียว ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพกันทุกวันมีมือถือกันเตินขึ้นมาก็ดูเสพรูปเสียงกลิ่นรสจากมือถือก่อนแล้วแต่พอวันไหนมือถือเสียก็เสพไม่ได้วันนั้นก็งดกิจลำคาใจขึ้นมา อดี๋ยวนี้จึงต้องมีหลายเครื่องใช่ไหมมีสำรองไว้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวกัดเครื่องนี้เสียก็ยังมีอีกเครื่องหนึ่งไว้สำรองเดี๋ยวเกิดถ้ามันเสียพร้อมกันก็บดก็ต้องออกไปหาไปหาทางอื่นไปเสพรูปเสี ย, สยงกลิ่นลดทางอื่นไปเปิดทีวีดูไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูไปดูหนังหนังสือแฟชั่นต่างๆต้องมีอะไรให้ดูให้ฟัง ถึงจะมีความสุขแต่สิ่งที่เราดูเราแต่การหาความสุขแบบนี้มันมีการสะดุดได้มีการหยุดได้พอมันสะดุดมันหยุดขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าหาความสุขแบบนี้เลยเพราะเท่ากับเป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวความสุขเป็นเหมือนหลุมพรางให้เราไปตกหลุมพราง มันมีอะไรล่อให้เราคิดว่าเป็นความสุขพอเราไปหามันก็ถูกตกลงไปในหลุมอพอได้ความสุขมาเดี๋ยวๆไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจว้าเวเเหกันดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะไม่ช้าก็เร็วจะต้องเจอความทุกข์อย่างเนี้แ น, น่นอนเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาความสุขเหล่านี้มันจะต้องแก่น้ําเจ็บต้องพิกลพิการจะไม่สามารถหาความสุขตามที่เคยหาได้ ถึงแม้จะมีเงินกองเท่าภูเขาก็หาไม่ได้เงินนี้ไม่สามารถมาแก้ความเจ็บความพิการได้ถ้าถึงเวลามันจะเจ็บแบบรักษาไม่ได้มันก็รักษาไม่ได้มีเงินทองมากน้อยก็รักษาไม่ได้ถ้ามันพิการรักษาไม่ได้มีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้ น, นี่แหละคือทาไมเราจึงเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆ พยายามหนีมันแทบเป็นแทบตายพยายามหาความสุขกันแทบเป็นแทบตายแล้วก็ไปต้องไปเจอความทุกข์อยู่ดีก็เพราะว่าความสุขที่เราหากันมันมีความทุกข์ตามมานั่นเองมันมีความทุกข์ติดมาเป็นเงาตามตัวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอความทุกข์จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาเวลาที่มันเสื่อมนั่นเอง ลาบยศสาเสวนรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่มันมีเจริญแล้วก็มันก็มีเสื่อมอมันไม่เจริญอย่างเดียวถ้ามันเจริญอย่างเดียวก็ดีพวกเราจะได้มีแต่ความสุขกันหานเงินมามีแต่ได้อย่างเดียวใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีหมดอย่างนี้ดีไหมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็หมดไม่พอใช้ ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยรู้สึกว่าจะไม่พอใช้กันทั้งนั้นก่อนมีเงินเดือนหมื่นก็ไม่พอใช้มีเงินเดือนแสนก็ไม่พอใช้ก็เพราะว่ามันใช้พอมีมากมันก็ใช้มากนั่นเองใช้ตามอารมณ์ใช้ตามความอยากถ้าใช้ตามเหตุตามผลนี้มันจะมีเหลือใช้แต่ไม่รู้จักใช้ตามเหตุตามผลใช้ตามอารมณ์ เวลาไม่สบายใจก็ใช้เงินเพื่อดับความไม่สบายใจไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกัน <c oughs> ความไม่สบายใจก็ถูกปลบไปชั่วขา่าวเดี๋ยวกลับมาบ้านก็มาเจอความไม่สบายใจเหมือนเดิมนี่คือการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่ จะต้องทำให้กลับมาเจอความทุกข์อยู่เรื่อยเพราะมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมานั่นเองต้องเชื่อพระพุทธเจ้ามาหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์กันดีกว่าเช่นเอามาเวลาไม่สบายใจเอาเงินไปทำบุญดีกว่าอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปกินไปเดินไป ด, ไปดูไปฟังเพราะว่า มันจะไม่ทำให้เราพอนั่นเองพอไปเที่ยวแล้วมันก็อยากจะเที่ยวอีกแล้วพอไม่มีเงินเที่ยวมันก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวนี้มาทำบุญมันจะไม่ทำให้เราอยากเที่ยวมันจะทำให้เราอิ่มใจสบายใจทำให้เราอยู่บ้านได้อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่ต้องออกนอกบ้านจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว่าเห่ เพราะความสุขที่เราได้จากการทาบุญทำทานนี้มันไม่ได้ผลิตความอยากที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปดูไปฟังไปซื้ออะไรต่างๆไม่เหมือนกับการไปทำตามความอยากต่างๆนี่แหละคือวิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ด้วยเงินทองถ้าเรามีเงินทองอยากจะใช้เงินทองหาความสุข ขอให้เราเอาเงินทองไปทาบุญงินเถอดเราให้เลือกเอาบุญที่เราชอบทาดีกว่าถ้าทาบุญที่เราไม่ชอบเราอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเราทาบุญที่เราชอบเช่เราชอบเลี้ยงสัตว์เราไปทาบุญเลี้ยงสัตว์แล้วเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาถ้าเราชอบอาทาบุญกับวัดเราก็ไปทาบุญกับวัดบางคนชอบเปิดโรงทาน พอเวลาที่ไหนมีงานนี่ไปเปิ ด, ปดลงทางกันสนุกสนานขายของแบบขายดีขายดีขา ย, ดขายจนหมดมีลูกค้าเยอะมีความสุขนี่คือการทำบุญขอให้เราเลือกทำบุญที่เราชอบทำแล้วมีความสุขถ้าเราไปทำบุญที่เราไม่ชอบมันจะมีสุขแต่สุขน้อย บุนนี่เป็นเหมือนอาหารที่เรารับประทานถ้าเรารับประทานอาหารที่เราไม่ชอบมันก็อิ่มเหมือนกันแต่มันไม่มันไม่สุขเหมือนกับกินอาหารที่เราชอบถ้ากินอาหารที่เราชอบมันทั้งสุขมันทั้งอิ่มเะั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการทำบุญเราต้องเลือกทำบุญที่เราชอบเราชอบปล่อยนกปล่อยปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา เราชอบ เ, อเลี้ยงเลี้ยงเพนพระก็ไปเลี้ยงเพนพระครชอบใส่บาตรเราก็ไปใส่บาตรชอบช่วยเดกะนาถาก็ไปช่วยเดกะนาถาชอบช่วยปอแทกตึงร่วมกตัญญูบางคนชอบซื้อลงศพนะทำบุญซื้อลงศพแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอพอเห็นศพที่ระญาติไม่มีลงศพกัน เ, เขาจะได้มีที่ อ, อยู่ ในวาลาสุดท้ายของเขาก่อนที่จะถูกเผากลายเป็นขี้เถ้าไปเนงแต่ละการทำบุญที่จะให้เราเกิดเห็นผลจากการทำบุญจึงต้องทำบุญที่เราชอบหรือเราเห็นผลทันตาถ้าเราไปทำบุญที่เราไม่เห็นผลนี่บางทีเราไม่รู้สึกอะไรเช่นบางทีเราไปยอดเงินในตู้บริจาคนี่เราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไร นอกจากว่าถ้าเรารู้ว่าตู้ใบาจากนี้เขาจะเอาเงินไปทำประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อเราก็ทำไปเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาหรือบางคนทำบุญแล้วไม่รู้สึกอะไรก็เพราะว่าทำบุญที่ตนเองไม่ชอบเพราะนานๆจะทำทีเช่นวันเกิดเขาก็บอกอ้าไใส่บาตรถวายสังฆทานก็ทำไป ที่ก็ไปถวายใส่บาตรกับพระที่พระก็มีคนใส่บาตรเยอะอาหารก็เยอะถวายสังฆทานก็มีคนถวายเยอะก็เลยไม่รู้สึกว่าได้ไปช่วยเหลือใครพระท่านก็มีเหลือเฟือเราก็เลยทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราไปทํากับคนอนาถาคนพิการคนแก่คนชราคนที่ต้องการความช่วยเหลือเ พอเราไปช่วยเหลือเขาทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเราก็เกิดความเพิ่มปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้แหละคือการทาบุญที่แท้จริงต้องอยาททำตามสูตรบางทีก็ให้ทำตามสูตรวันเกิดไปซื้อกกแผงสังฆทานมาของในกกแผงมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ ถยายพระแล้วพระเอาไปใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอทําเป็นแบบเป็นสูตรนี้มันต้องคิดให้ดีว่าทําเราทําบุญนี้เราต้องการให้คนรับเขามีความสุขเขาได้สิ่งที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนเอเขาไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่าไปให้ของที่เขามีเหลือเฟืออยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนในสิ่งนั้น ไปให้เขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากเราเราก็ไม่รู้สึกว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือกับเขาความสุขที่เกิดจากการทำบุญมันไม่ไมเกิดจะเกิดก็ตรองที่ว่าเรายินดีเสียสละเงินทองก้อนนี้ไปเท่านั้นเองแต่มันไม่มันก็ได้บุญแต่มันไม่ได้ความอิ่มเอิบใจสุขใจเพิ่มปิติ กาจะได้ความเพิ่มปิติความอิ่มเอิบใจนี้ม่ต้องการหลังจากการที่เราเห็นว่าการเสียสละของเราทำให้เกิดประโยชน์กับผู้รับอย่างจริงจังนี่คือวิธีการทาบุญที่จะทำให้เราทำแล้วจะติดอกติดใจจะชอบทาบุญแล้วต่อไปนี่เราก็จะไม่เอาเงินไปซื้อความสุขตาม ตามความอยากต่างๆเพราะว่าเอาเงินไปเที่ยวตามความอยากอาไปซื้อของตามความอยากนี่มันเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดดีๆนี่เองเพราะว่าซื้อแล้วมันจะติดเที่ยวแล้วมันจะติดแล้วพอมันไม่ได้เที่ยวมันไม่ได้ซื้อมันจะทุกข์นั่นเองนแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญแล้วนี่จะไม่ติด เราจะไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆทําบุญเสร็จกลับไปบ้านอยู่บ้านเฉยๆอย่างมีความสุขไปเที่ยวกลับมาบ้านอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็อยากออกไปเที่ยวอีกไปช็อปปิ้งกลับมาซื้อข้าวซื้อของมาซื้อเดี๋ยวก็อยากจะออกไปซื้ออีกนี่แหละจึงทำให้เงินไม่ค่อยพอใช้กัน พอซื้อแล้วมันติดมันต้องซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วของมันก็เต็มบ้านล้นบ้านซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันบนังทีซื้อมาแล้วก็เก็บเอาไว้เฉยๆแต่เห็นแล้วอยากได้พอได้ซื้อแล้วเกิดความสุขเดี๋ยวๆขอให้ได้ความสุขแบบนั้นเดี๋ยวๆอันนี้แหละเป็นอันตรายหาความสุขแบบนี้เพราะว่ามันจะมีความทุกข์ตามมานั่นเอง เวลาที่เราไม่สามารถที่จะซื้อได้เที่ยวได้เราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจรู้สึกเศร้าส้อยหงอยหเหงา <c oughs> ดังั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์จากด้วยการใช้เงินเอาเงินนี้มาทำบุญทาทานตามที่เราชอบทำกับใครที่ไหนได้ทั้งนั้นทำกับพ่อแม่ก็ได้ ถ้าเรารักพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขมีความสบายก็ให้เงินพ่อแม่ซื้อข้าวซื้อของให้พ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายหรือพาพ่อแม่ไปพักผ่อนหย่อนใจที่นั่นที่นี่บ้างก็ได้คนแก่ไปไหนมาไหนเองไม่ได้ก็ต้องรอลูกลูกแทนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ไปเที่ยวกับพ่อแม่อลูกก็จะได้บุญได้ความสุขถ้าเทียบแบบนี้มันไม่ติด ถ้าเที่ยวเพื่อคนอื่นมันจะไม่ติดถ้าเที่ยวเพื่อตัวเองมันจะติดอันนี้คือการทําบุญวิธีการต่างๆขอให้เราเลือกทําแล้วทําให้เรารู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจอแล้วก็จะไม่ลุยความหิวความอยากจะทำแบบแบบนั้นอีกถ้ามีโอกาสก็ทําถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ทําอยู่เฉยๆก็ได้ เช่นถ้าไม่มีเงินจะทำบุญก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีเงินเที่ยวมันจะเดือดร้อนไม่มีเงินซื้อของที่เคยเคยซื้อมันจะเดือดร้อนนี่คือวิธีการทำบุญด้วยการทําทานการหาความสุขแบบไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมาด้วยการเอาไปทำบุญทําทานอันนี้ข้อที่หนึ่งวิธีหาความสุขแบบไม่มีทุกข์ ข้อที่สองวิทยาความสุขแบบไม่มีทุกข์ก็คือให้เรารักษาศีลไว้เวลาอยากจะขโมยก็อยากหยุดห้ามห้ามใจหยาไปขโมยเวลาขโมยถึงแม้ว่าจะได้ความสุขจากสิ่งที่เราได้มาแต่มันจะมีความทุกข์ตามมาทันทีเราจะกังวลแล้วเราจะหวาดกลัวแล้วกลัวว่าคนอื่นจะเห็นจะรู้กลัวว่าจะไปแจ้งตำรวจบอกตำรวจ มาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางเวลาเจอตำรวจบางทีตำรวจเขาไม่มาจับเราเจอเห็นหน้าตำรวจก็ใจสั่นขึ้นมาแล้วเพราะเรามีแผลเป็นวัวสันหลังหวะเี่ยการทําบาปนี่เป็นเหมือนกับการทําแผลกีดแผลไว้ในใจพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นใครก็กลัวไปหมดคิดว่าเขาจะมาจับคิดว่าเขาจะไปแจ้งความ คิดว่าเขาจะมาล้างแค้นนะนี่คือความสุขที่ได้จากการไม่ทําบาปถ้าเราไม่ขโมยไม่โกงนี่เราจะสบายไม่เดือดร้อนไม่เพราะไม่เรารู้ว่าไม่มีใครจะมาทําอะไรเราได้เพราะเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยถ้าเราไม่ได้โกงไม่โกหกหลอกลวงเราเจอใครนี่เรา สบายใจคุยกับใครได้อย่างสบายใจถ้าเราพูดแต่ความจริงทุกครั้งที่เราพูดความจริงนี้มันมันไม่เปลี่ยนแต่ตอนเราพูดโกหกนี่บางทีมันเปลี่ยนได้เราโกหกคนนี้เรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปโกหกคนนั้นอีกเรื่องหนึ่งตองเดี๋ยวกลับมาคุยกับคนนี้จำไม่ได้แล้วว่าเราโกหกคนนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวกลับไปกลับมาอาจจะเอาพูดเรื่องโกหกมาบอกเขาก็ได้หรือไม่มั่นใจ ว่าเราพูดอะไรไปบ้างก็จะทําให้เราหวาดวิตกกังวลขึ้นมาฉนั้นให้เรารักษาสีหนุ่ยให้ดีเถิดแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจไม่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับการทําบาปทําไมเราต้องทําบาปกันก็เพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วถ้าเราไม่สามารถอ ได้มาโดยไม่ทำบาปเราบางทีก็ต้องทำบาปบางทีก็ต้องโกหกหลอกลวงบางทีก็ต้องขมโมยบางทีก็ต้องประพฤติผิดประเวณีเช่นเรายัางไม่มีสามีมีภรรยาแต่เราอยากจะร่วมหลับนอนกับคนโน้นคนนี้เราก็ต้องไปร่วมหลับนอนกับคนแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมา เพราะว่าเดี๋ยวเกิดเขาตั้งท้องขึ้นมาเขาก็จะมาบอกว่ า, า จ, จะทำยังไงตั้งท้องแล้วเราก็ไม่อยากจะรับผิดชอบเพราะเราต้องการแต่ความสุขเขาถึงให้ให้ให้มีประเพณีคนที่อยากจะร่วมหลับนอนกันนี้ครเป็นสามีเป็นภรรยากันเพื่อเวลาเกิดมีลูกขึ้นมาจะได้มีการรับผิดชอบมีการเลี้ยงดูกัน ไม่งั้นเดี๋ยวต้องเอาไปทำแทงไปทำบาปเองนี่คือหรือถ้าข้อออกมาก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ไปทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงอีกเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นวายใจตามมาถ้าเราไปทำบาปกันพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าจะทำอะไรก็อย่าไปทำบาปทำแบบถูกต้องอยากได้เงินทองมาก็ไปทำงานกันไปหาเงินหาทองด้วยวิธีที่ ไม่ทำบาปกันไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงไม่ต้องไปช่อโกงเงินที่ได้มาจะไม่มีโทษไม่ทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราได้เงินทองที่เกิดจากการช่อโกงเกิดจากการทำบาปได้มาแล้วความสุขที่ได้มาได้เดียวเดียวดีใจตอนที่ได้มาทีนี้ก็ต้องมากังวลกับเวลาจะถูกเขาจับไปลงโทษ ไม่รู้ใครรู้หรือเปล่าใครเห็นหรือเปล่าหรือเขาเห็นเขาจะไปแจ้งความเราก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อ, อยู่แบบสบายเปิดเผยไม่ได้ดนะี่ละเป็นการหาความสุขแบบดีทุกข์ตามมาถ้าเราหาความสุขด้วยการทำบาปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหาความสุขแบบไม่มีโทษอย่าไปหาความสุข ด้วยการทำบาปให้หาความสุขด้วยการไม่ทำบาปคือให้รักษาศีลอยูศีลห้าข้อนี้สำคัญมากถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการกระทําของเราอย่าฆ่าสัตว์อย่ า, าราักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ สุรายาเมานี้เป็นอบายามุกที่จะทําให้เราต้องไปทําบาปต่อไปนอกจากสุราแล้วก็มีเล่นการพนันเที่ยวเตะคบคนที่ชอบอบายามุก เ, เป็นมุตเป็นมิตรแล้วก็มีความเกลียดข้านความเกลียดค้านนี่ก็เป็นอบายามุกเพราะความเกลียดค้านมันไม่มีทำให้เราไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย แล้วถ้าเราจ่ายเรื่อยๆไม่มีรายรับเดี๋ยวเราก็ต้องไปขโมยเงินมาใช้ต่อเพราะเราขี้เกียจไปทำงานเล่นการพนันเดี๋ยวเงินหมดก็ต้องไปขโมยเงินมาเล่นเที่ยวเดี๋ยวก็หมดอบายมุกนี้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถ้าไปเสพอ ბ ายมุกนี้เดี๋ยวเงินทองก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาป จึงะต้องห้ามอบายามุกด้วยถึงแม้อบายามุกเองยังไม่เป็นบาปแต่เป็นการไปยืนอยู่ที่หน้าประตูของอบายอบายก็คือที่เปรของคนที่ทําบาปนั่นเองคือนรกเปรตอาศุลกายเดชะเนี่ยเป็นอบายเป็นที่เกิดที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข จึงอย่าเสพอบายามุขอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเต่ไม่ว่ากลางคืนและกลางวันอย่าคบคนที่ชอบอบายามุขแล้วอย่ามีความเกียจคร้านขยันทํางานทํางานหาเงินหาทองโดยวิธีสุดจริญแล้วก็ขยันเก็บเงินเก็บทองใช้เงินเท่าที่จําเป็นแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์ตามมา มีเงินเหลือก็เอาไปทำบุญทาทานถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินก็เอาเงินไปทำบุญทำทาน mm. ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำบุญทำทานไม่ต้องเที่ยวอยู่บ้านพักผ่อนหลับนอนดีกว่าร่างกายจะได้มีกำลังวางชาถึงเวลาไปทำงานจะได้ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานดีเดี๋ยวก็ได้รับงานได้ับไ ด, ไดรบ้รับรางวัลตอบแทนได้เงินเดือนขึ้นได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะนี่คือการหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาถ้ารักษาศีลได้แล้วรับรองได้ว่าทุกที่เกิดจากการทำบาปนี้จะไม่เกิดกับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้ว หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่บาปที่เราทำนี้มันมันอยู่ติดกับเราเราเป็นจิตเป็นใจที่กลายเป็นดวงวิญญาณที่เราเปลี่ยนชื่อจากจิตใจเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้แหละที่จะต้องไปรับผลของบาปต่อไปไปอบายเป็นดวงวิญญาณ ที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่คือดวงวิญญาณชนิดต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปในขณะหลังจากที่เราตายไปแล้วหรือไม่เช่นั้นก็ไปได้ร่างกายของเดรัจฉานเวลาจะมาเกิดแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนเพราะบาปที่เราทำอยู่นี้มันจะ ดึงให้เราไปเป็นเดรัจฉานกันแต่ถ้าเราไม่ทําบาปตายไปเราไม่ต้องไปอบายถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปเราก็ปางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยถ้าเราไม่ทําบาปแล้วเราทาบุญด้วยเราก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขความสบายเหมือนกับตอนที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสวรรค์ น, นี้ เทวดานี้เป็นพวกนักท่องเที่ยวสวรรค์นี้เป็นที่ท่องเที่ยวของพวกเทวดา hardship. แล้วพอบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีนิสัยที่เคยทําติดตัวกลับมาถ้าเคยทําบาบมีนิสัยทาบาปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาทาบาปใหม่ pet, ถ้ามีนิสัยทาบุญ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญใหม่ทำไมเราจึงมีคนที่ชอบทำบุญมีคนที่ชอบทำบาปก็เพราะว่ามันเป็นนิสัยของเขาเขาเคยทำมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วพอเขากลับมาเกิดใหม่เขาก็กลับมาทำตามนิสัยเดิมคนที่ชอบเดิมสซลาก็กลับมาเดิมสซลาคนที่ชอบเล่นการพนันก็จะกลับมาเล่นการพนันคนที่ชอบเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยว คนที่ชอบอความเกียดติค้านก็จะกลับมาเกลียรติค้านคนที่ชอบทําบุญก็จะไปทําบุญคนที่ชอบรักษาศีลก็จะไปรักษาศีลดั้นั้นทําดีดีกว่าทําบุญดีกว่ารักษาศีลดีกว่ามีประโยชน์หลายอย่างทําบุญรักษาศีนเวลาที่ไม่ตายก็มีความสุขใจอิ่มใจสบายใจเวลาตายไปก็ได้ไปสวรรค์ เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเงินทองรอเราอยู่เงินทองที่เราใช้กับการทำบุญนี้เป็นเหมือนเงินเราฝากไว้ในธนาคารของภพหน้าชาติหน้าพอเรากลับมาเราก็จะเกิดมามีฐานะที่ดีกว่าเก่าเพราะเรามีเงินทองฝากไว้ในธนาคารแล้วเราก็จะมีนิสัยที่ดีติดตัวกลับมาเราเคยทาบุญเราก็จะกลับมาทาบุญต่อ เราเคยรักษาศีลเราก็จะกลับมารักษาศีลต่อเนี่นี่คือวิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์สองสองวิธีสองวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมันก็ง่ายยากตามลำดับการทำทานทํบุญนี่ง่ายกว่าการรักษาศีลแล้วการรักษาศีลก็จะง่ายกว่าการกระทำขั้นที่สาม ที่เรียกว่าภาวนาหรือปฏิบัติธรรมเพราะการจะภาวนาปฏิบัติธรรมนี้ต้องอยู่แบบนักบวชต้องเลิกหาความสุขจากตาหูจมูลกล้นกายให้มาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบอันนี้จะยากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมากต้องหาข้ามจิตใจแต่ถ้ารักษาศี่ห้าได้แล้วก็จะไม่ยากมาก พอเพิ่มรักษาศีลอีกสามข้อเท่านั้นเองคนที่จะมาปฏิบัติธรรมคนที่จะมาหาความสุขแบบไม่มีโทษด้วยการภาวนาหรือสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาจำเป็นจะต้องละเวน้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องเพิ่มศีลอีกสี่ข้อข้อที่สามก็เปลี่ยนเป็น การไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันข้อที่หก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับเพื่อให้รับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายมันไม่หิวก็พอไม่ต้องการรับประทานอาหารแบบให้มีความสุขรับไปรับประทานอาหารแบบง่ายๆอย่าไปรับประทานอาหารตามความอยาก อยากกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้ให้กินอาหารตามมีตามเกิดหรือถ้ามันไม่ตามมีตามเกิดก็เอามาคุกมารวมกันเลยมนใส่จานไว้แล้วก็คนกันเอาของเค้าของหวานของที่จะลงไปในท้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องลงไปรวมกันในท้องก็เอามารวมกันในจานเนี่ยก่อนที่จะเอาเข้าปากให้กินแบบกินยา เอาเข้าปากเคียเค้ยวๆแล้วก็เกินเข้าไปเหมือนกับกินยาไม่ได้กินเพื่อรสชาติไม่ได้กินเพื่อความสุขของอาหารอันนี้คือวิธีการกินของผู้ที่จะต้องการมาภาวนาต้องการมาปฏิบัติธรรมจะได้ไม่มีความห่วงมีความอยากที่จะคอยคิดถึงเรื่องกินอยู่เรื่อย ถ้ากินแบบไม่น่ากินมันจะไม่อยากจะกินมันจะไม่นึกถึงความอยากกินอยากจะกินอาหารแล้วมันจะได้ไปทำใจให้สงบได้ถ้าละกินแบบหรูหรากินแบบกินแบบชอบกินกินเสร็จแล้วมันยังอยากกินอยู่นั้นกินไปทั้งชั่วโมงเดียวก็คิดถึงอาหารที่ชอบกินอีกแล้วมันก็จะทำให้การทาใจให้สงบนี้มันยาก เพราะการจะทำใจใสงบต้องหยุดคิดถึงอาหารหยุดคิดถึงการหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายหยุดคิดถึงแฟนหยุดคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหยุดคิดถึงมอหรลศพ บ, บันเทิงต่างๆหยุดคิดถึงการเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็หยุดคิดถึงการหลับนอนแบบสบายแบบนอนนานา นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆดิ้นล้จะได้ไม่ตกเตียงถึตงต้องนอนเตียงใหญ่ๆกันอันนี้ถ้าอยากจะนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็นอนตนบนพื้นนอนแข็งๆจะได้นอนไม่นานเพราะมันไม่สบายเวลาร่างกายได้นอนพักพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาใจก็อยากจะไม่นอนต่อพอนอนแล้วมันไม่สบายนี่คือศีลแปดมีไว้เพื่อที่จะได้เอามาสนับสนุนในการมาสร้างความสุขแบบไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้ต้องมีมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีศีลแปดแล้วเดี๋ยวมันก็จะ ไปหาอะไรกินอยู่เรื่อยๆหาอะไรดูหาอะไรฟังอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่สามารถทาใจให้สงบได้นั่งสมาธิก็นั่งได้ไม่นานนั่งได้แป๊บเดียวก็เกิดอาการอึดอาดเกิดอาการเ อ, อเบื่อหน่ายนั่งแล้วไม่มีความสุขเพราะใจคิดจะหาความสุขทางตาหูจมกูกเล้นกายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง แต่พอมาถือศีลแปดแล้วรู้แล้วว่าไปหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ก็จะไม่ไปคิดถึงมันให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพออยู่กับพุโทโธไม่ไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบได้นี่คือความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเวลาเข้าสู่สมาธิก็มีความสุข พอจากสมาธิถ้าความสุขนั้นหายไปก็ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกว่าเหวไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดแล้วถ้าต้องการมีใหม่ก็สามารถกลับเข้าไปใหม่ได้ทุกเวลาง่ายกว่าความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่จะต้องมีเงินซื้อรูปเสียงยินรถต่างๆมาเสพนะครับ เวลาที่ร่างกายไม่แข็งแรงเวลาที่ไม่มีเงินซื้อรูปเสียงกลิ่นลดมาเสพเวลานั้นก็เสพไม่ได้เวลานั้นก็ไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขมันก็มีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่แต่ถ้าเราทำจิตให้สงบได้รู้จักวิธีทำจิตให้สงบเวลาอยากสงบก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวจิตก็จะสงบสงบแล้วก็มีความสุข นละเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขที่เราควบคุมได้หมดเมื่อไรเราก็เติมได้ทันทีไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่มีเงินทองก็สามารถมีความสุขทง้งทางการนั่งสมาธิได้ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนสมาธิได้ถ้านั่งไม่ได้ก็นอนสมาธิก็ได้ น, นี้คือวิธีหาความสุขแบบที่สามที่เป็นความสุขเต็มร้อยความสุขแบบที่หนึ่งที่สองนี่ยังไม่เต็มร้อยร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบร้อยละสี่สิบทำบุญทำทานก็ได้ความสุขร้อยละยี่สิบสามสิบ รักษาสิ่งก็ได้ความสุขว่าละสี่สิบห้าสิบพอมานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะได้ความสุขแบบเต็มร้อยความสุขที่อิ่มอิบใจสุขใจสบายใจเบา อ, อกเบาใจแต่ยังเป็นความสุขเต็มร้อยที่ชั่วคราวอยู่เวลาออกจากสมาธิมาก็ยังหายไปสิ่งที่มาทำให้ความสุขที่เกิดจากความสงบหายไปก็คือความอยากนี่เอง ความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันไม่ตายด้วยจากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเพียงแต่ไปกดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไว้ชั่วคราวพอเวลาออกจากสมาธิมาก็ปล่อยให้ความอยากมันโผล่ขึ้นมาใหม่พอมันโผล่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไป พราะใจจะกระเพิ่มใจจะสัน่นใจจะห ง, งุดหงิดเนี่ยใจจะอยากอใจจะเด่นดลนถ้าอยากจะให้ใจกลับไปสงบต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปทําตามความอยากก็ต้องเอาปัญญาขั้นที่สองมามาปฏิบัติทำขั้นที่สองคือขั้นปัญญามาสอนใจให้รู้ว่า ความสงบของเราที่ได้จากสมาธิที่มันหายไปนี้เพราะความอยากนี่เองพอจากสมาธิมาใจยังเย็นยังสบายพอไปเห็นของกินไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาก็อยากขึ้นมาพออยากขึ้นมาความสบายใจก็หายไปความหงุดหงิดความอะไรความดิ้นรนของใจก็โผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ใจกลับไปสงบเหมือนตอนที่เข้าสมาธิ ก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขแบบมีความทุกข์ตามมานั่นเองคือถ้าเราไปดื่มกาแฟเราก็จะได้ความสุขตอนที่ได้ดื่มพอดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มใหม่แล้วถ้าไม่มีกาแฟให้ดื่มความสุขก็จะไม่มีจะ ม, มีแต่ความทุกข์ขึ้นมา ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องไม่สามารถดื่มกาแฟได้อาจจะไม่มีเงินดื่มอ า, อาจจะไม่มีกาแฟขายอาจจะไม่มีน้ำร้อนมาชงกาแฟอาจจะร่างกายดื่มไม่ได้หมอห้ามไม่ให้ดื่มอันนี้มันก็จะต้องมีวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากได้ที่จะหาความสุขจากสิ่งที่เราอยากได้ แล้วเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากเราก็จะไม่ต้องไปเดือดร้อนกับการที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เรามีความสุขเราเพียงแต่หยุดความอยากทำใจให้หยุดคิดหยุดอยากด้วยการกลับเข้าสมาธิพอกลับเข้าสมาธิความอยากก็หายไปแล้วถ้าเราไม่ทำตามความอยาก ขาต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะหายไปถ้าไม่มีความอยากหลงเหลือจิตใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจเราหงุดหงิดลาคาญทำให้ใจเราไม่สงบตัวที่ทำให้จิตเราไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี้เองถ้าเรากำจัดมันด้วยปัญญาด้วยสติคือไม่ทำตามความอยาก ทุกครั้งที่มันอยากก็หยุดมันหยุดด้วยสติใช้ปัญญาสอนว่าทำไมต้องหยุดหยุดเพราะว่ามันเป็นอันตรายเป็นตัวที่จะไม่มีวันตายถ้าเราไปทำตามความอยากทำตามความอยากแล้วมันจะทาให้ความอยากเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากให้ความอยากเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องไม่ทำตามความอยากอันนี้คือปัญญาเหตุผลส่วนผู้ที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติสมาธินี่เอง ดังนั้นเราต้องฝึกสติพึ่งฝึกสมาธิก่อนให้เราสามารถหยุดความอยากได้ถึงแม้จะว่าจะเป็นการหยุดความอยากแบบชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้เราวุ่นวายใจทุกใจพอเราออกจากสมาธิมาพอมันอยากได้นู่นได้นี่เราก็ไปทําตามความอยากทำแล้วมันก็ติดอยากจะทําอยู่เรื่อยๆ แล้วก็จะไม่อยากจะกลับเข้ามานั่งสมาธินี่คือวิธีหาความสุขแบบที่ไม่มีโทษตามมาแบบถาวรต้องหาด้วยปัญญากับสมาธิควบคู่กันช่วยกันสมาธิเป็นเหมือนมือซ้ายปัญญาเป็นเหมือนมือขวาเวลาเราจะทําอะไรให้มันสําเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นนี้เราต้องทํำด้วยสองมือทําด้วยมือเดียวนี่มันทําไม่ได้ สำเร็จได้ร้อยเปอร์เซนตต้องมีสองมือช่วยกันสติสมาธิต้องช่วยปัญญาปัญญาต้องมีสมติสมาธิสนับสนุนถ้ามีแต่ปัญญาก็ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากได้ถึงแม่รู้ว่าความอยากไม่ดีเป็นโทษแต่ก็ฝืนมันไม่ได้สมาธิถ้ามีแต่สมาธิก็หยุดความอยากได้แต่ไม่รู้โทษของความอยาก พอออกจากสมาธิมาก็ปล่อยให้มันอยากแล้วก็ไปทําตามความอยากได้เพราะไม่รู้ว่าการทําตามความอยากเป็นตัวที่มาทําให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่อไปนั่นเองดังนั้นจึงต้องอาศัยสองอย่างอาศัยทั้งสมาธิอาศัยทั้งปัญญามาช่วยกันตอนต้นก็เอาต้องสร้างทีละอย่างก่อนสร้างสมาธิก่อนเพราะสมาธินี้มันง่ายกว่าปัญญา ต้องมาก่อนปัญญามีตอนนี้ก็มีปัญญาแต่ปัญญายังไม่มีกำลังปัญญาที่เราคือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นปัญญาแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่พอเราเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกำลังหยุดเราไม่มีสมาธิไม่มีสติเราเลยต้องมาฝึกสติมาฝึกสมาธิก่อน เพื่อเรามีกําลังหยุดความอยากพอเรามีกําลังหยุดความอยากแล้วพอเรามาได้เรียนรู้ทางปัญญาว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้เราต้องทุกข์วุ่นวายใจเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะทุกข์วุ่นวายใจไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เราก็ต้องฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากด้วยการใช้สติสมาธิหยุดมนันนี่คือการทํางานที่ถูกต้องของสติของสมาธิกับปัญญาต้องช่วยกันเพราะว่าต่างคนต่างทําหน้าที่กันเหมือนกับเวลาหยุดรถนี่ก็ต้องใช้เบรกหยุดแล้วก็ต้องอใช้ปัญญาดูว่าต้องหยุดเมื่อไหร่ ถ้าไปหยุดตอนที่ไม่ควรหยุดเดี๋ยวก็รถก็ชนกันได้เอนวิ่งไปนบนทองถนนอยู่ดีอยากจะเหยียบเบรกหยุดขึ้นมาก็ทันหันรถที่ตามมาข้างหลังเขาก็ชนท้ายเรอต้องมีปัญญารู้ว่าควรจะหยุดเมื่อไหรไม่ควรจะหยุดเมื่อไหรพอมาถึงสี่แยกไฟแดงไฟแดงก็ต้องหยุดก็ต้องเหยียบเบรกผู้ที่รู้ว่าต้องหยุดก็คือปัญญารู้ว่านี่คือสี่แยกไฟแดงถ้าไม่หยุดเดี๋ยวก็ต้องไปชนกัน แล้วผู้ที่จะหยุดรถก็คือเบรกไม่ใช่คนขับคนขับเป็นคนรู้ว่าต้องหยุดแต่สิ่งที่จะหยุดรถได้ก็คือเบรกเนี่ยถ้าเบรคแตกเบรไม่มกีก็หยุดไม่ได้ก็จะวิ่งไปชนกับรถคันอื่นทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าต้องหยุดแต่ถ้าเบรกมันเสียก็ไม่สามารถจะหยุดรถได้ฉันใดถ้าเรารู้ว่าความอยากนี่เป็นทุกข์การหาความสุข ตามความอยากนี้มันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากเราก็หยุดมันไม่ได้คนที่เดื่มเล่าก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็พอติดแล้วมันก็หยุดไม่ได้คนที่ดืม่มสูบุรีก็รู้ว่าสูบบุรี่มันไม่ดีมันเป็นโทษแต่ก็ห้ามมันไม่ได้เวลาอยากเพราะไม่มีกำลังไม่มีสติไม่มีสมาธินั่นเอง คนที่อยากจะหยุดอะไรต่างๆนี่ต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิก่อนต้องไปนั่งสมาธิทาจิตให้สงบก่อนถ้าจิตสงบแล้วนี่มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พออยากจะสูบบุหรี่ก็หยุดได้อยากจะดื่มสุราก็หยุดได้อยากจะเที่ยวก็หยุดได้อยากจะมีแฟนก็หยุดได้อยากอะไรทั้งหลายทั้งปวงหยุดได้หมดถ้ามีสติ แล้วนะที่ต้องหยุดก็เพราะว่ามีปัญญาบอกว่าการไปทำตามความอย่างนี้มันจะพาให้ไปเจอความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวเวลาได้ก็ดีใจเวลามันจากไปก็จะเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีวันพัดภาคจากกันเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดข้าวของเงินทองที่เราหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตาม เียวเวลาเราตายไปเราก็ออกไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวคนที่เรารักเราก็ออกไปไม่ได้เราอะไรตอนนั้นเราจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้สิ่งเหล่านี้เวลาเราจากโลกนี้ไปเราจะไม่มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของปัญญากับเรื่องของสมาธิ ปัญญาจะสอนว่าทําไมเราไม่ควรทําตามความอยากว่าเป็นการทําเป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจตั้งแต่เริ่มอยากเลยพอเริ่มอยากใจก็เริ่มกระเพื่อมเริ่มสั่นขึ้นมาแล้วถ้าไม่นั่งสมาธิจะไม่เห็นถ้านั่งสมาธิเจ็ดสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างเวลาที่มีความอยากกับไม่มีความอยากจิตจะไม่เหมือนกัน เวลาที่ไม่มีความอยากนี้จิตจะนิ่งเยน็นสบายพอเกิดความอยากขึ้นมานี้จิตจะกับเพิ่มสั่นขึ้นมาทันทีหดจิตลำคาญใจขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ำน้ำถ้าไม่มีใครไปตักไปเล่นน้ำมันก็จะนิ่งพอมีใครไปตักน้ำไปอาบน้ำน้ามันก็ไม่นิ่งน้ำมันก็จะก็เพิ่มมีเป็นคลื่นขึ้นมาจิตใจก็เหมือนน้ะ จิต ใ, ใจที่สงบนิ่งนี้เกิดจากการหยุดคิดไม่ไปยุ่งไ ม, ไม่หยุดคิดหยุดอยากพอไปเริ่มคิดเริ่มอยากขึ้นมาใจก็เริ่มกลับเพิ่มขึ้นมาทันทีใจความสุขทุกข์ของใจอยู่ที่นิ่งหรือไม่นิ่งถ้าใจนิ่งใจจะมีความสุขถ้าใจไม่นิ่งใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดัางนั้นถ้าเราต้องการความสุข ขอให้กับใจเราต้องทำใจให้นิง่งอย่าให้ใจมันกระเพื่อมด้วยความอยากด้วยความโลภด้วยความทำบาปการกระทำเหล่านี้มันจะทำให้ใจเรากระเพื่อมทำให้ใจเราไม่นิง่งถ้าเราไม่ทำบาปเราไม่โลภไม่อยากไปเที่ยวไปหาอะไรไม่อยากได้นู่นได้นี่ใจเราจะนิ่งไปสบายมีความสุขนี่คือวิธีการหาความสุข แบบไม่มีความทุกข์รับรองได้ว่าถ้ามาหาความสุขจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาต่อไปจะมีแต่ความสุขเพียง อ, อย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจพะว่าความสุขที่เราได้จากการทำทานรักษาศีลภาวนานี้มันจะอยู่กับใจเราไปตลอดมันจะไม่จากเราไป เหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาบยศสารเสนจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะต้องมีการจากกันไปในที่สุดเวลาที่เราตายไปเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปเราเอาความสุขจากลาบยศสารเสนจากรูปเสียงกลิ่นรสปทพะไปไม่ได้เลยเวลานั้นเราก็จะไปแบบหิวโหวยไปแบบอดอยากขาดแขนเพราะไม่มีความสุขติดตัวไป ดังนั้นขอให้เรานงมาหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์กันเถิดแล้วรับรองได้ว่าต่อไปจะไม่มีความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าอีกต่อไปเพราะความสุขที่เราหามันไม่มีความทุกข์ติดมานั่นเองแต่ถ้าเรายังหาความสุขแบบเดิมอยู่หาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกินลรสผภาพอยู่เราจะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นความ เป็นความทุกข์ที่ติดมากับความสุขนี้เองเป็นเหมือนเงาตามตัวถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็ต้องเลิกหาลาภยศสรรเสริญแล้วก็มาหาความสุขทางการทำทานการรักษาศีลการภาวนาเท่านั้นนี่คือทางเลือกของเราจะหาสุขหรือหาทุกข์แบบไหนถ้าหาความสุขแบบมีทุกข์ก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆ ถ้าความสุขแบบไม่มีทุกข์ก็จะไม่ทุกข์ไปอีกต่อไปจะพ้นจากทุกทุกทุกชนิดไม่ว่าทุกข์ที่เกิดจากการพัดภาคจากกันหรือทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาขังเอวามีวะยโตทินังเปตังนังอ an ุปกาปติยิจิต um ังปะทิตังปุมังคิปะเมวะสามิจโตสัพเพปุเรน u ตสังกปะ ยันโทปะนาราโสยธามณีจ s ีราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวา อะพิวาทนาสีิทสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมะวัานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วัรจันจมักจะเยอะนะวันนี้วันนี้เยอะปะวันนี้ทางเฟซบุ๊เข้ามาสามร้อยสามสิบแปด y o u t u หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์สี่สิบเจ็ดรับฟังข้างบนภูเขานี้สี่สิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยสิบเก้าครับเฟซบุ๊กไม่รู้หายไปไหนส่วนใหญ่จะเกินสี่ร้อยเช้านี้ลดเหลือสามร้อยกว่าก็เป็นเรื่องของอนิจจังก็แล้วกันไม่ได้กังวลอะไรเพียงแต่ ติดตามแล้วก็สังเกตดูท่านเองทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงอาจจะเรียนจบแล้วก็ได้นักเรียนก็เปลี่ยนรุ่นกันไปรุ่นเก่าจบไปรุ่นใหม่ก็เข้ามาใหม่ใครอยากจะถามก็ถามได้นะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ทางบ้านมีหรือยัง ตามไปคําถามจากทาง facebook นะครับคุณยิ่งพันุ์กราบพระอาจารย์ครับเรียนถามเรื่องเวทนาครับมี2คําถามคําถามที่1เวทนาที่มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตัวเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์นี้ใช่อันเดียวกับอุเบกขาไหมครับหรือคนละอันกันครับ ก็ว่าอุเบกขานี้มันมีสองความหมายอุเบกขาที่เป็นเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกขน์นี้เป็นอย่างหนึ่งไม่ไม่เหมือนกับอุเบกขาที่เกิดจากความสงบคือบางทีอุเบกเวทนานี้เราจะมักจะหมายถึงเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นตาเราเห็นภาพ เห็นภาพอะไรที่มันทำให้เกิดความสุขขึ้นมาก็ได้เห็นภาพที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เเห็นภาพที่ทำให้เราเฉยๆก็ได้อันนี้คือเวทนาทางตาหูจมูกิืนกายส่วนอุเบกขานี้เป็นความรู้สึกของใจคือใจจะเฉยๆกับทุกอย่างจะเฉยกับทุก กับเวทนาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็จะเฉยๆคือไม่รักไม่ชังกับเวทนาต่างๆอุเบกขานี้ต้องเกิดจากการทําใจให้สงบเข้าสมาธิถึงจะเกิดอุเบกขาตัวนี้แต่อุเบกขาที่มากับเวทนานี้มันเกิดจากการที่ตาไปสัมผัสกับรูปหูไปสัมผัสกับเสียง พอมันสัมผัสกับรูปที่ที่ดีมันก็สุขรูปที่ไม่ดีก็ทุกรูปที่กลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่ไม่สุกไม่ทุกอันนี้คนละอันกันอุเบกขาแบบอันนี้เป็นอุเบกขาในเวทนาอุเบกขาในสมาธิคนละอันกันคําถามที่สองครับเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ แล้วพวกความรู้สึกเย็นร้อนเจ็บสัมผัสเป็นเวทนาไหมครับผมเข้าใจว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คือเวทนาทางใจส่วนเจ็บร้อนสัมผัสคือเวทนาทางกายซึ่งใช้เป็นฐานให้สติรู้ได้ทั้งหมดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ทางกายมันก็มีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจมันก็มีสุขหรือไม่หรือสุขหรือไม่สุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์ ถ้าใจสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จ ะ, ะเฉยๆแต่ความเฉยๆนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเวทนาแต่ความสุขที่ทางใจที่เป็นเวทนาเกิดจากความชอบหรือไม่ชอบเวลาชอบอะไรก็เกิดความสุขขึ้นมาทางใจเวลาไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทางใจอันนี้ก็มี อันนี้เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ถ้าเราทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็เปลี่ยนความความไม่ชอบเสียอย่าไปไม่ชอบความทุกข์ก็จะไม่เกิดะแต่ถ้าทางมาทางทา ง, ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราเปลี่ยนไม่ได้เช่นเราไปเห็นแสงสว่างแรงๆทําให้แสบตาเงนี้เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันเจ็บมันก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมา มีทางเดียวก็คือเราต้องสายแว่นแล้วปิดตาอันนี้ถึงจะทำให้ความเจ็บทางตาหายไปได้บางทีไม่หายเช่นตาไม่สบายตาตาถูกเชือ้อทาให้เกิดอาการเจ็บตาขึ้นมาอันนี้ก็ต้องรอใช้การรักษาไปบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายอันนี้เป็น เป็นเวทนาทางตาหูจมูกนิ้งกายที่บางทีเราก็ไปทำอะไรไม่ได้บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แต่ความสุขความทุกข์ทางใจนี้เราแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนความรักความชังของเราถ้ารักอะไรแล้วทำให้เราทุกข์เราก็อย่าไปรักมันเราก็หายทุกข์ถ้าเราชังกับอะไรแล้วทำให้เราทุกข์เราก็อย่าไปชังมันก็หายทุกข์ได้ คำถามต่อไปจากคุณสิริฟังหลวงพ่อพูดถึงความพลัดพรากแล้วรู้สึกเศร้าและทุกข์ในใจจะดูแลรักษาใจอย่างไรดีครับก็เนี่ยต้องมาหยุดเลิกการไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลเราจะได้ไม่ต้อง พึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราพอเราไม่พึ่งเขาแล้วเวลาพัาดพลาดจากกันจะไม่รู้สึกเศร้าแต่อย่างใดคาถามต่อไปจากคุณสุริยาภรเคยเดินจงกรมภาวนาพุทธโธแต่มีคนมาบอกไม่ให้ภาวนาเหมือนเอาพระพุทธมาเหยียบย่ำขอเมตตาให้ความกระจ่างด้วยเจ้าคะ่ะ ไม่เกี่ยวกันแล้วเราเหยียบแผ่นดินเราเหยียบดินอย่าไปเหยีย บ, ยยบพุทโธ ท, ที่ไหนพุทโธมันอยู่ในใจคนพูดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอยัางอย่าไปฟังคนไม่รู้เรื่องรู้ราวพูดต้องเอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้เดินจงกรมพุทโธได้ยังไงให้เรา ล, เลึกถึงสวดมนต์อย่างเวลาสวดมนต์ก็นั่งก็ถือว่านั่ ง, น, งนั่งเหยียบพระใชเวลานั่งสวดมนต์นี่ มันไม่ใช่หรอกคนมันไม่รู้เรื่องรู้ราวคนตาบอดหูหนวกพูดไปไม่ไม่ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่งอางใดคำถามต่อไปจากคุณแจนกราบเรียนพระอาจารย์ขณะนั่งสมาธิมีอาการเคลิ้มคล้ายจะนิ่งได้แต่จิตหยุดคำบริกรรมพุทโธ ท, ทำให้จิตลุกลี้ลุกลน กว่าจะไปจับลมหายใจได้อาการเคลิ้มก็หลุดไปทำให้ต้องกลับไปเริ่มบริกรรมใหม่ควรแก้ไขหรือทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะไม่หลุดนั่นแหละพอสติมันหลุดมันก็เป็นปัญหาขึ้นมายิ่นสติมันหมดกําลังเหมือนน้ำมันรถแต่ไม่เต็มถังขับไปได้เพียงครึ่งทางน้ำมันก็หมดรถก็เลยจอดต้องกลับไปเติมน้ามันใหม่ ันต่อไปเติมให้มันเต็มถังมันจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องเติมสติให้มากขึ้นให้มีกำลังจนสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ใหม่ๆจะเติมสติให้เต็มถังมันไม่ได้หรอกมันก็เติมได้ทีละนิดเทียวหน่อยเพิ่มมันไปเท่ะเล็กทีละน้อยมันมีสติอยู่เรื่อยๆมันพุโทโธอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งเท่านั้น คำถามต่อไปจากคุณน้อยกราบเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะคือว่าน้องสาวมีหลานสองคนแต่ไม่เลี้ยงปล่อยให้พ่อแม่แก่ๆเลี้ยงไม่ส่งเสียให้หลานพ่อแม่ลําบากพอมีเงินก็เอาไปทําบุญก่อนอย่างนี้จะได้บุญใหมเจ้าคะได้ทําบุญมันก็ได้บุญไม่ได้เลี้ยงลูกก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเขาเลือกทําไงเขามีความสุขกับการทําบุญ เขาไม่มีความสุขกับการเลี้ยงลูกเขาก็เลยไม่เลี้ยงก็เท่านั้นเองอแต่เขาไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้บุญจากการเลี้ยงลูกได้บุญจากการไปทำบุญคำถามต่อไปจากคุณรักชัยคำถามจากฝรั่งเศสครับน้ำมศการพระอาจารย์อยากทราบขั้นตอนทำสมาธิขั้นพื้นฐานครับต้องเริ่มต้นอย่างไรดีครับ ก็นั่งกัดสมาธิหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปทั่นเองไม่ต้องไปคิดอะไรให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวจะท่องได้นานเท่าไหร่ น, ะนั่นแหละคือคือปัญหาถ้าท่องได้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็สงบได้ถ้าท่องไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ยิ่นอยู่ที่ว่าเราสามารถบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าต่อเนื่องได้ห้านาทีสิบนาทีนี่จิตก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่สมาธิได้งั้นนั่งหลับตาแล้วก็นึกไปในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปในใจท่านั้นเองง่ายง่ายอย่าไปรู้เรื่องมากยิ่งรู้เรื่องมากยิ่งคิดมากอย่าไปรู้อะไรดีคนที่นั่งสมาธิแบบไม่รู้อะไรนี้มักจะสงบได้ง่ายเพราะทําตามที่บอกนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียว อย่าไปรู้มากรู้ว่าเดี๋ยวเกิดไอ้นั่นเกิดไอ้นี่เดี๋ยวมันเลยไม่สงบเพราะมันไปนั่งคิดนั่งรอว่าจะเกิดหรือไม่เกิดงั้นอย่าไปสนใจอลไรทั้งนั้นเวลานั่งสมาธิให้มีคําบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวก็พอคําถามต่อไปจากคุณสิริปรียาอยากถามพระอาจารย์ว่าต้องทําบุญอย่างไรถึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาภูมิครับ ไม่รู้เหมือนกันชั้นไหนมันเราไม่รู้ว่าต้องทำกี่กี่กี่มากน้อยเท่าไหร่เพราะสวรรค์มันมีต้องสิบหกชั้นไงก็ไม่ทราบเนี่ยค่อยรู้คร่าวๆก็แล้วกันว่าทำมากก็ขึ้นไปสูงเหมือนเหมือนอเหมือนกับเรามีเงินมากเราก็อยู่โรงแรมที่มีดาวมากขึ้นไปเงินน้อยก็อยู่โรงแรมที่มีดาวน้อยอหนึ่งดาว ถ้ามากก็สองดาวสามดาวเห็นถ้าทำบุญมากก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่สูงระดับยาานี่ไม่รู้ว่าต้องใช้กีจต้องทำบุญมากน้อยเท่าไหร่เราไม่รู้ขอให้ทำไปเรื่อยๆพวเขาเคื่อวันนี้เราไปวัดไม่ได้ขอให้ทำมากๆไว้เถิดเกินยามาได้ก็ยิ่งดีเะยไม่ต้องไปเร่งว่าจะต้องเอาชั้นนี้ชั้นนั้น คำถามต่อไปจากคุณดอกไม้การทําสมาธิด้วยการภาวนาพุทโธตอนร่างกายทํางานกับการเฝ้ารู้ทุกกิริยาตอนทํางานอย่างไหนดีกว่ากันครับเหมือนกันนะคือไม่ให้ใจมันลอยไม่ให้ใจมันไปคิดเรื่องอื่นให้มันอยู่กับงานที่ทํำอยู่แต่ก็สู้กับการที่ มีมีสติอยู่กับการไม่ทำงานจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องคิดเป้าหมายก็คือเราต้องการหยุดความคิดถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่เราทำบางเราเรายังต้องใช้ความคิดอยู่มันก็มันก็ไม่เป็นสติที่จะเอื้อต่อการทำใจให้สงบต้องเป็นสติที่ไม่คิดถ้าสติที่คิดนี้มันจะไม่สงบ คำถามต่อไปจากคุณกมลวันถ้าเราภาวนาพุโทโธสวดมนต์โดยการนอนภาวนาจะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันจะไม่สำเร็จนะสิเพราะมันจะหลับซะก่อนเพราะว่าถ้านอนมันท่าสบายพอสวดมนต์ไปได้สองสามคำก็ครอะครอบขึ้นมาคำถามต่อไปจาก คุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วโยมสังเกตตอนโยมหลับจะมีสองแบบซึ่งเลือกไม่ได้คือแบบไม่มีสติคือฝันไปเรื่อยๆและหลับแบบมีสติรู้ตัวถ้าเราจะตายสามารถกําหนดสติให้เหมือนหลับแบบรู้สึกตัวได้ไหมเจ้าคะต้องฝึกอย่างไรเนินๆให้ตายแบบมีสติก็ต้องฝึกสติเยอะๆไง ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้มันก็ฝันไปแบบมีสติกับฝันแบบไม่มีสติเพราะสติเรายังแบบเกิดเกิดดับดับอยู่เวลามีสติมันก็ฝันแบบหนึ่งเวลาไม่มีสติมันก็ฝันอีกแบบหนึ่งฉั้นเราตอนนี้ต้องพยายามทำสติให้มันต่อเนื่องตอนนี้ยังล้มลุกคลุกคานอยู่เหมือนเด็กยังเดินยังยืนไม่ได้ยืนแล้วก็ล้มต้องหัดยืนให้ได้ยืนแล้วก็หัดเดินเดินแล้วก็หัดวิ่ง ต่อไปเราก็จะควบคุมจิตให้เราฝันแต่เรื่องที่ดีได้หรือทำให้จิตสงบไม่ฝันได้ต้องฝึกสติให้มากๆสตินี้ฝึกได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ฝึกสติได้เลยพุโทโธพุโทโธไปได้เลยโดยเฉพาะเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอย่าให้มันคิดพุดโทโธพุโทโธไปถ้าต้องคิดก็ให้มันคิดให้น้อยที่สุดคิดกับเรื่องที่จาเป็นต้องคิดเท่านั้น คิดเสร็จก็หยุดแล้วก็มาพุโทโธพุโทโธต่อถ้าต่อไปเวลาเราจะมีสติควบคุมใจเราได้คำถามหมดแล้วครับหมดแล้วนะเ อ, อเดี๋ยวพักเดี๋ยวรอสักพักถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะได้ปิดฉากเร็วหน่อยวันนี้นั่งสมาธิรอไปสักพักก็ได้หรือใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้นั่งรอไปก่อนเพราะไม่รู้จะพูดอะไร ขอพักหน่อยฟังมาทุกวันมันก็เข้าใจกันหมดแล้วไม่รู้จะถามอะไรที่ถามนี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ก่อนที่มาฟังเป็นประจำนี่เขารู้คําถามคําตอบมันแล้วถามยังไงก็จะรู้คําตอบขึ้นมาทันทีเพราะฟังทีไรมันก็ตอบเหมือนกันทุกทีส่วนใหญ่ก็เรื่องสตินี่แหละ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติมันก็เรื่องกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติก็คือสตินี่ เ, เรียนหนังสือเริ่มต้นเริ่มที่ไหนเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่เราไม่ได้ไปเริ่มต้นที่วรรณคดีที่ประวัติศาสตร์หรือคนิติศาสตร์หรืออะไรเพราะยังมันไปไม่ถึงไปไม่ได้ ก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องผ่านกอไก่ขอไข่ก่อนต้องผ่านการนับหนึ่งสองสามให้ได้ก่อนการปฏิบัติก็เหมือนกันก่อนจะไปวิปัสสนาก่อนจะไปอัปปนาสมาธิไปไปมีอะไรต่างๆมีอภิษฐอภินยามีตาทิพย์หูทิพย์มีอะไรนี้มันจะต้องผ่านสติก่อนถ้าไม่มีสติมันไปไม่ได้ฉะนั้นต้องหัดฝึกสติให้มากมา สตินี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สาคัญมากกว่าธรรมทั้งปวงเพราะธรรมทั้งปวงจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสติจะทำบุญยังทำไม่ได้เชื่อั้มคนเมาเหล้านี่ไปทำบุญได้ไั้มคนกินเหล้าเมาไม่มีสติไปทำบุญไม่ได้รักษาศีลก็รักษาไม่ได้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไม่ได้ ฉการที่จะทำทานได้การที่จะรักษาศีลได้การที่จะนั่งสมาธิได้การที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้นี้จำเป็นจะต้องมีสติก่อนต้องมีสติดึงใจให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่ากำลังทำอะไรถึงจะทำได้คำถามจากทาง YouTube นะครับคุณวิชัย พระอาจารย์เจ้าคะกรณีที่เรานั่งรถทัวร์ไปตั้งแปดถึงสิบชั่วโมงแต่รถเปิดเพลงเราอยากนั่งสมาธิจะนั่งได้ไหมเจ้าคะได้แล้วก็ไล่อุทูไว้เลยเราโทรศัพท์เรามีเครื่องหูฟังแล้วก็อุทูไว้แต่ไม่ต้องเปิดอะไรแล้วเราก็พุทธโทพุทธโทไปเดยวลมหายใจไปคำถามต่อไปจากคุณบอล อยากทราบว่าที่ท่านอาจารย์เคยเทศเรื่องการทําบุญได้หนึ่งร้อยถือศีลได้ห้าร้อยทำสมาธิได้หนึ่งพันอยากทราบว่ากรถินและผ้าป่าจะได้เท่าไหร่เจ้าคะก็เป็นทานเงินก็ได้หนึ่งร้อยกรถินกับผ้าป่านี้เป็นการบอยจากเงิน เบอร์จากเงินหนึ่งร้อยก็ได้บุญหนึ่งร้อยไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าหรือเป็นกระถินหรือใส่บาทหรือสังฆทานหรือสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถ้าจำนวนเท่ากันในคนคนเดียวกันก็ได้บุญเท่ากันนะฮะแต่จำนวนเงินเท่ากันแต่ในคนสองคนนี้บุญอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสองคนนี้มีเงินมากเงินน้อยต่างกัน คนที่มีเงินมากถวายร้อยหนึ่งคนที่มีเงินน้อยกว่าถวายร้อยหนึ่งคนที่มีเงินน้อยกว่ากลับได้บุญมากกว่าคนที่มีเงินมากกว่าถึงแม้จะถวายเงินเท่ากันก็ตามเพราะมันไม่สะเทือนใจเท่ากันเงเวลาเราเสียเงนินนี่มันจะสะเทือนใจสะเทือนกิเลสมันจะฆ่ากิเลสคือความหว ง, งนเงินนี่ ừ, ถ้ามันสะเทือนมากกิเลสตายมากมันก็บุญมากมันก็มีความสุขมากเพรานั้น เน้นต้องเข้าใจเวลาเปรียบเทียบเรื่องบุญนี่ต้องพูดว่าเราพูดถึงคนเดียวกันเรื่องต่างคนนะถ้าคนเดียวกันก็อยู่ที่มากหรือน้อยถ้าทำร้อยหนึ่งก็ได้บุญร้อยหนึ่งถ้าทำสองร้อยก็ได้บุญสองร้อยแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่สองคนที่มีเงินมากน้อยไม่เท่ากันแต่บอยจากเท่ากันเนบุญได้ในใจไม่เท่ากันะ คำถามต่อไปจากคุณมดกราบนมัสการพระอาจารย์ฝันเห็นแต่ข้าวของที่นอนขาดขาดฝันบ่อยเพราะอะไรเจ้าคะหรือว่าเขามาทวงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราคงไม่ได้ทำบุญมนะั้งเราไม่ก็ได้ทำบุญทำทานเราก็เลยใจเราก็เลยหิวโหยเพราะว่าการทำบุญทำทานนี้เป็นการให้อาหารให้เสื้อผ้าแก่จิตใจนั่นเอง พอเราไม่ทำใจมันก็เลยบ อ, บอกเราว่ากำลังไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีข้าวกินเออยังรีบทำบุญซะออต่อไปจะได้ฝันว่าอิ่มเออใส่เสื้อผ้าที่สวยที่งามเออไม่ต้องไปทำบุญเรื่องเสื้อผ้าหรอกทำบุญแบบไหนก็ไดออ้แล้วเดี๋ยวบุญนี่มันจะเป็นเหมือนเงินที่สพายเราไปซื้อสิ่งที่ใจเราขาดแคนได้คำถามต่อไปจากคุณกมนวัน กราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาทอดกรถินอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตอนพระสวดตอนไหนเจ้าคะออไม่ต้องรอพระสวดแล้วพอเราเบิกจากเงินเ้วก็อุทิศได้ทันทีเลยเช่นเราเอาเงินใส่ซองแล้วก็มอบให้เขาไปเราก็อุทิศได้เลยไม่ต้องไปร่วงงานก็ได้บุญเกิดจากการเสียสละของเราแล้วคำถามต่อไปจากคุณแพ ลองมาหลายวิธีแล้วตอนนี้ใช้วิธีดูลมหายใจที่ปลายจมูกทำวันละ30นาทีอยากทราบว่าแล้วในระหว่างวันเราควรจะทำอย่างไรดูลมหายใจหรือดูอยู่กับการกระทาของเราที่ทำอยู่อยากจะให้ท่านพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยว่าควรจะทำอย่างไรต่อเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะก็ต้องมาดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากาลังกินก็ต้องอยู่กับการกิน กำลังเคลื่อก็อยู่การเคลื่อกำลังกลืนก็อยู่การกลืนฮะอย่าไปอยู่กับลมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสำลักข้าวได้ต้องดูว่าเรากำลังกลืนกำลังกินต้องดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดการผิดพลาดได้กำลังเดินก็ต้องดูอยู่ที่การเดินไม่ใช่อยู่ที่ลมดูที่ลมเดี๋ยวเดินไปเตะนู่นเตะนี่ไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้ เวลาทำอะไรต้องดูที่การกระทำขับรถก็ต้องดูที่การขับรถไม่ใช่ขับรถแล้วก็ดูลมไม่ดูถนนเดี๋ยวก็ชนกันตายเออยั่งเวลาที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเราต้องมีสติอยู่ที่การกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่เวลาร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วนั่นเราถึงจะมาดูลมได้เพราะตอนนั้นไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากลมนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณพัทรพร อยากทราบว่าการไปเกิดบนสวรรค์ได้ต้องมีีิริโอตปรทมของเทวดาด้วยหรือไม่เจ้าคะเพราะทาบุญมากก็ไปเป็นเทวดาได้ถ้าศีลยังไม่บริบูรณ์จะเป็นเทวดาได้ด้วยหรือเจ้าคะไม่ได้ไงทำบุญอย่างเดียวไปเป็นเทวดาไม่ได้ถ้ายังทําบาปอยู่ก็ต้องไปอบายยังต้องไม่ไม่ทบาปด้วยแล้วก็ทาบุญด้วยถึงจะสามารถไปเป็นเทวดาได้ ถ้าทำบาปก็ต้องถ้าบาปมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปอาบายแต่ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปเป็นเทวดาได้เหมือนกันนั้นอยู่ที่ว่าสองอันนี้มันอันไหนมากกว่ากันคําถามต่อไปจากคุณสุดาพรกราบนามัสการพระอาจารย์ลูกขอให้พระอาจารย์อธิบายถึงความเป็นพระอริยสงฆ์เจ้าคะ่ะ พระอรยสมก็มีสี่ขั้นพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระอริยแต่ละขั้นนี้ท่านละกิเลสตัณหาได้มากน้อยต่างกันพระโสดาบันก็ละได้สาเอร์ซ์พระสกิฎาคามีก็ละได้40เปอร์ซพระอนาคามีกละได้ห้าเปอร์ซพระอรหันตก็ละได้ร้อยเปอร์ซ คือความรักค ว, ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆละกันไปตามกำลังของสติปัญญาของแต่ละคนคำถามต่อไปจากคุณวิพระอาจารย์เจ้าคะทาบุญสังฆทานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรจำเป็นไหมที่ต้องถวายพระสี่รูปขึ้นไปไม่จำเป็นหรอกคือคาว่าสังฆทานคือถวายให้วัด ไม่ได้ถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่งเช่นเวลาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เขาถวายเป็นสังฆทานถวายให้เป็นส่วนรวมไม่ได้ส่วนบุคคลเข้าใจไหมทานมีสองอย่างส่วนรวมเรียกว่าสังฆทานส่วนบุคคลเรียกว่าบุคคลิกทานเช่นบินทบาเนี่ยเป็นบุคคลิกทานใส่บาทให้พระรูปนั้นฉันแต่บางวัดเขาก็ไม่เขาก็ให้เป็นสังฆทานถึงแม้ว่าพระจะเปบิณฑบาท ได้อาหารมาในบาทก็ไม่ให้เก็บไว้เป็นส่วนตัวเวลากับวัดต้องเอามารวมกันที่วัดอีกทีแล้วค่อยมาแบ่งกันอย่างนี้ถึงเรียกว่าสันสกฐานดงนั้นบางทีเราไปเจาะจงไม่ได้แล้วอ ย, อยู่ที่ว่าวัดเขาทําแบบไหนวัดในเมืองส่วนใหญ่นี้ก็จะให้เป็นของใครของมันใบเบนทบาทเสร็จใครได้อะไรมาก็กลับกุฏิไปเป็นของตัวไปแต่ถ้าวัดป่านี้เขาจะให้เอามารวมกันที่ศาลา แล้วก็เอามาแบ่งกันด้วยการจัดส่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่เป็นผู้เลือกก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปตามตามลำดับพรรษาอย่างนี้แหละเรียกว่าสังกฐานคือไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้เป็นของตนเอามาแบ่งกันเอามารวมกันแล้วก็เอามาแบ่งกันบองว่านี่เขาเอาแบบ แบ่งรวมกันแล้วแบ่งกันแบบอาหารทั้งหมดนี้เอามารวมใส่หม้อกันหมดเลยไม่ว่าจะแกงเผ็ดแกงจืดแกงอะไรเทใส่หม้อแล้วก็ต้มมันเป็นเหมือนอาหารจานเด็ดแล้วก็ามาตักใส่บาตรกันอย่างนี้เรียกว่าสังกทานแต่ถ้าบินตบาสเสร็จได้มาก็กลับกุติคายกุติมันอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่สังกทานเรียกบุคคลิกทาน อย่างของที่นิยา่าโยมถวายก็ไปรวมกันใน อ, อยู่ที่ศาลาแล้วพระต้องการอะไรขาดแคลนอะไรก็มาหยิบไปใช้กันขาดแคลนสบู่ขาดแคลนยาสีฟันแปรงสีฟันนุก๊กไฟฉงไฟฉายหรือผ้าเรืออะไรที่มีอยู่ในคลังเนี่ยวัดตาจะมีคลังเก็บของไว้สำหรับให้พระที่ต้องการใช้ของมาหยิบไปจะได้ไม่ต้องไปสะสมไย เอาแค่เท่าที่จําเป็นถ้าของใครของมานี่ได้มาเท่าไหร่ก็ขนไปไว้ที่กุฏิเดี๋ยวกุฏิไม่มีที่นั่งที่นอนเปันที่เก็บของเต็มไปหมดทางพระวัดปา่าเขาถึงห้ามไม่ให้เก็บของไว้ที่กุฏิของกินก็ไม่ให้เก็บไว้แม้แต่น้ําชากาแฟก็ไม่ให้เก็บให้มาไว้ที่ส่วนรวมทั้งหมดแล้วถึงเวลาก็มานั่งฉันกันที่น้ําปานะก็ตอนบ่ายมีเวลา เวลาใคอยากจะดื่มน้ำชากาแฟาก็มาดื่มที่ที่ศาลาตอนเช้าก็บินตบาทกลับมาได้อาหารอะไรมาในบาทก็ไม่เก็บเอาไว้เก็บอย่างเดียวคือข้าวเปล่าในบาทจะมีข้าวเปล่าส่วนอาหารนี้ต้องรออาหารของข้าวของหวานนี้ต้องรอเอามาจัดมาแบ่งกันอีกที่หนึง่งทถึงนีเรียกก็เป็นสังฆทานหวังว่าคงจะเข้าใจ ไม่สังฆทานไม่ได้ไหมายความว่าต้องมีกระแป้งเหลืองๆ ห, หรือมีนิบนลพระมาสี่รูปพระสี่รูปมานรับไปก็ของใครของมันอีกละใช่ไอมมันก็ไม่ใช่เป็นสังฆทานสังฆทานมันต้องไปแบ่งให้กับพระทั้งวัดแต่ครับความเป็นไปได้เขาความเป็นจริงเขามไม่ทําอย่างนี้แล้ววัดในเมือง เ, เขาทําเป็นรูปแบบเป็นจัดฉากกันใ้มไหมไม่ได้เป็นตัวสังฆทานที่แท้จริง พ่ไม่ได้เอาไปแบ่งกันเอาเป็นของขายของมันเพียงแต่ว่าเอ้าวไหนว่าสังฆทานต้องมีพระสงฆ์พระสงฆ์อย่างน้อยก็ต้องมีสี่รูปอ่ะก็เลยจัดพระสงฆ์มาสี่รูปมารับให้เป็นสังฆทานแต่พอรับไปแล้วก็ของขายของมันอยู่ดีถ้าจะเป็นสังฆทานภาพรูปเดียวมารับก็ได้รับแล้วก็ไม่เก็บไว้คนรับไม่เก็บเอาไว้ใช้เองหมดก็อาจจะเลือกไว้ชิ้นสองชิ้นหรือของที่ ต้องใช้ส่วนที่ไม่ใช้ก็เอาเข้าไปเก็บไว้ในกองกองกลางแล้วพระองค์ไหนต้องการของก็มาหยิบได้พระที่อยู่บนเขานี้ไม่ต้องมานั่งมารอรับสังฆทานกันเพราะพราทุกอย่างที่มีอยู่บนเขานี้ก็เป็นของสังฆทานอยู่แล้วพระต้องการอะไรก็มาหยิบที่คลังได้ห้องเก็บของได้ อันนี้แหะเรียกว่าสังฆทานเป็นแบบนี้คือเป็นสมบัติส่วนรวมให้เอามาแบ่งกันใช้ทุกคนทุกองค์ที่อยู่ในวัดคำถามต่อไปจากคุณชงขอกราบเรียนถามค่ะทำบุญมากๆคือการใช้เงินครั้งแลมากๆแต่ทำน้อยครั้งกับการทำบุญด้วยการใช้เงินครั้งและน้อยๆแต่มากๆครั้งจะได้เหมือนกันไหมเจ้าคะ ก็แล้วแต่ความสะดวกของคนไม่เหมือนกันเนี่บางคนมีน้อยชาวบ้านนี่เขามีน้อยแต่เขาทำได้ทุกวันเขาใส่บาตรทุกวันทุกวันแต่คนบางคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลามาใส่บาตรทุกวันก็เลยทาทีเป็นก้อนใหญ่ถวายวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรไปแทนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณยิ่งพัน ทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานทำอย่างไรครับคือการพิจารณาทุกอย่างเป็นไตรลักษ์พิจารณาอาริยสัจใช่ไหมครับมันจะว่าใช่ก็ใช่แต่มันไกลเกินกว่าที่เราจะไปถึงเรากำลังพูดธรรมะระดับปริญญาโทปริญญาเอกเรายังอยู่แค่ปหนึ่งคืออยู่ที่ขั้นสติงั้นอย่าไปสนใจให้มากเกินไป ให้มาเอาสติให้ได้ก่อนเถิดแล้วค่อยไปถึงระดับปัญญานระดับปัญญาเอกตอนนี้ยังอยู่อนุบาลอยู่มาหัดกอไก่ขอไข่ก่อนเพราะถ้าไม่ถึงงั้นแล้วรับรองนะถึงแม้จะรู้พิจารณาไงก็พิจารณาไม่ไม่ตกกิเลสไม่ตายการพิจารณานี้เพื่อให้กิเลสมันตายให้ตัณหามันตาย แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วมันไม่มีทางที่จะไปทางปัญญาได้คำถามต่อไปจากคุณเวกราบนมสักการพระอาจารย์ค่ะการอุทิศบุญระหว่างให้คนเดียวกับให้หลายคนผู้รับจะได้เท่ากันไหมเจ้าคะ่ะก็ต้องแบ่งกันเลยคนเดียวก็รับไปหมดร้อยบาทก็รับไปถ้าห้าคนก็แบ่งคนละยี่สิบ ถ้าสิบคนก็แบ่งเงินคนละสิบเนี่ยมันจะรับเท่ากันได้ไงมันก็อย่างนี้ก็ดีเลยทำร้อยบาทแล้วก็อุทิศร้อยคนนี้มันก็ได้เป็นเป็นหมื่นไปเลยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องแบ่งกันไปคำถามต่อไปจากคุณธีรชาติกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพ พระอาจารย์อธิบายถึงระดับขั้นของพระอริยสงฆ์ว่าการขยับจากพระอริยสามขั้นต้นจะขยับขึ้นไปแบบไม่ห่างแต่พอจากพระอนาคามีขึ้นไปเป็นพระอาหารหันต์จะมีระยะห่างค่อนข้างมากเพราะอะไรครับก็เหมือนเปริญญาไงปริญญาตรีได้สี่ปีพอเปริญญาโทแค่สองปีพอป ร, ริญญาเอกมาห้าปีเห็น เพราะว่ามันก็มีความยากง่ายต่างกันไปนั่นเองก็ง <Okay. S 1> เลยต้องใช้เวลาต่างกันใช้กําลังต่างกันหรือมีโจทย์มีปัญหาต่างกันขั้นขั้นที่หนึ่งสสามมันมีแค่ห้าข้อทนายเห็ปัญหามีโจทย์แค่ห้าข้อแต่ขั้นที่สี่นี้มันมีโจทย์ต้องเพิ่มอีกห้าข้อเป็นสิบข้อมันก็เลยมันอยู่ที่โจทย์ คำถามต่อไปจากคุณนิตติง้งพระอาจารย์โปรดอธิบายคำว่าจิตที่ถึงฐานด้วยเจ้าค่ะก็จิตที่เข้าสู่ความสงบเ่ยฐานของจิตก็คือความสงบนั่งสมาธิจิ ต, จตนิ่งสงบก็เข้าถึงฐานคืออุเบกขาสัตะวะโลคําถามต่อไปจากคุณต้นผมอยากไปนิพพานชาตินี้แต่ยังลาพุทธภูมิไม่ได้ อยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะนำวิธีลาพุทธภูมิให้เด็ดขาดด้วยครับพุทธภูมิพุทธภูมิเป็นยังไงนละคุณบอกมาทลคุณว่าคุณเป็นพุทธภูมิมันพุทธภูมิจรงิงแล้วพุทธภูมิเก้ก็ไม่รู้คาว่าพุทธภูมิก็คือคนที่ต้องการที่จะเจริญเมตตก่อนคือต้องการที่จะให้ความสุขกับทุกคนใครต้องการความช่วยเหลือก็จะ เสียสละเวลาของตนไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนจะไม่คิดถึงความสุขของตนฉันยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยช่วงที่ท่านบวชตอนต้นท่าก็อายุหกสิบนี่ท่านจะปฏิบัติสำหรับตัวเองน้อยกว่าการช่วยเหลือคนอื่นท่านจะคอยสั่งคอยสอนอคนนูน้นคนนี้ให้รู้จักวิธีปฏิบัตินั่งสมาธิอะไรไปเรื่อยๆ จนท่าอายุหกิ 60, ท่านก็ยังไม่บรรลุทันทีท่านก็เลยรู้ว่าท่านติดอยู่กับพุทธภูมิเพราะคอยคอยดูแลช่วยเหลือคนอื่นจนลืมดูแลช่วยเหลือตอนเองโดยตนเองเลยไม่บรรลุธรรมก็เลยต้องตัดสินใจหนีคนอื่นไปอยู่ในป่าคนเดียวช่วงระยะเวลา60สถึงเจ็ิบนี้ท่านไปท่านไปเล่งความเพียรทางวิปัสสนาทางสมถวิปัสสนา ตอนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพออายุเจ็ดสิบถึงแปดสิบท่านก็กลับมาสอนใหม่มาช่วยคนใหม่แต่มาช่วยในฐานะแบบผู้ที่ดุดพ้นแล้วเป็นพระอารหันต์แล้วถ้าเป็นพระอารหันต์แล้วจะช่วยคนมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่เสียหายอะไรถ้ายังไม่เป็นแล้วไปคอยชื่อเหลือคนอื่นนี่จะไม่มีวันเป็นพระอารหันต์ได้ ยกตัวอย่างพระอานุนก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีก็ไม่ได้เป็นพาาระอรหันต์สักทีแต่พอพระพุทธเจ้าตายไปพาาระอนวนก็เลยไม่มีภาระที่จะต้องดูแลพระพุทธเจ้าก็สามารถปฏิบัติเพียงสามเดือนก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะละพุทธภูมิคุณก็ต้องกลับมาให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติของคุณเอง อย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นตอนนี้ต้องตัดเรื่องของของคนอื่นไปให้หมดแล้วมาปฏิบัติศีลสมาธิเพื่อบรรุมรรผลนิพพานของตนเองก่อนคำถามต่อไปจากคุณมดกราบพระอาจารย์ลูกพี่สาวดือ้อบอกไม่ฟังเลยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะเขาเป็นดื้อไง คนเรามันก็มีดื้อก็มีไม่ดื้อก็มีเหมือนผลไม้คนเรามีความแตกต่างกันนิสัยใจคอแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของเขาจะให้คนดื้อมามาอยู่ดีๆไม่ดือ้อมันเป็นไปไม่ได้จะให้คนที่ไม่ดือ้อมาดือ้อมันก็เป็นไปไม่ได้เนั้นเราต้องรู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ยอมรับความจริงอันนั้นถ้าเราพยายามเปลี่ยนขเขาับเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เขาเป็นกล้วยเรามาเปลี่ยนให้เขาเป็นส้มไม่ได้ก็อย่าไปเปลี่ยนคำถามต่อไปจากคุณเชตกิจกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระตถาคตเจ้าสอนให้ทำสมถะไปนิพพานหรือทำวิปัสสนาไปนิพพานครับทำทั้งสองอย่างครับต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีสมถะก่อนแล้วก็ค่อยไปวิปัสสนาต่อถึงจะไปนิพพานได้คำถามต่อไปจากคุณรักชัย กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับระหว่างบริจาคเงินช่วยเหลือทางโรงพยาบาลหรือการช่วยเหลือผู้อนาถากับการสร้างวัดหรือการร่วมกุศลสร้างพระพุทธรูปบริจาคให้วัดอย่างไหนจะถือว่าเป็นการทําบุญกุศลที่ดีที่สุดครับคือบุญมันอยู่ที่ใจของเราเราบริจาคเงินไปไม่ว่าจะไปทําอะไรเราก็ได้บุญเท่าเดิม อาบุญไปลงทำบุญที่โรงพยาบาลทำบุญที่วัดทำบุญที่คนอนาถาบุญที่เราได้จากการเสียสละเงินทองของเรานี้เท่ากันหมดคือความสุขใจอิ่มใจนี้เท่ากันหมดจะต่างกันตรงที่ประโยชน์ที่ผู้รับจะได้รับทำบุญกับโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลมาคอยดูแลรักษาคนไข้ ทำบุญกับวัดก็จะได้มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาศึกษามาปฏิบัติมาสั่งมาสอนธรรมะทำบุญกับคนอนาถาก็จะทําให้ไม่มีคนอนาถาเนี่มันมีผลแตกต่างกันตรงตรงผู้ที่รับนะแต่ผู้ที่ให้นี่ผลไม่แตกต่างกันคือบุญที่ได้รับเท่ากันแต่อาจจะได้ความอิ่มใจปืป้มปิติไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราชอบทําแบบไหน ถ้าเราชอบทากับวัดเวลาทากับวัดเราจะได้ความปลื้มปิติถ้าเราไม่ชอบโรงพยาบาลเราไปทำโรงพยาบาลเราจะรู้สึกว่าไม่ปลื้มปิติเหมือนกับเราที่ได้ได้จากวัดเนี่ยอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนย่อยไม่สำคัญส่วนสำคัญก็คือความอิ่มความสุขใจความอิ่มใจนี่เท่ากันแต่ความปลื้มปิติอาจจะไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราทาแบบไหน แบบที่เราชอบมันก็เห็นผลทันตาแล้วก็เพิ่มปิติขึ้นมาน้ำตาไหลก็ไมเ่เวลาได้ช่วยเหลือกลัวควายที่มันจะถูกฆ่ายนีถ่ายมันออกมาอย่างนี้เราก็รู้สึกเพิ่มปิติขึ้นมาแต่ถ้าเราไปทำบุญบริจากสร้างโบสน์นี่บางทีโบส์โบสมันยังเมืม่อไรจะเสร็จก็ไม่รู้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดความเพิ่มปิติ อย่างนั้นมันก็แต่บุญก็ได้เหมือนกันบุญคือในการเสียสละแบ่งปันได้คลายความตันิ่ความโลภอันนี้เหมือนกันบุญรด้ยังอีกหนึ่งคำถามโอเคอหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณโบพระอาจารย์เจ้าคะมีตังน้อยแต่อยากทำบุญเยอะก็ทำไม่ได้ต้องปรับใจอย่างไรเจ้าคะ่ะอ๋อไม่ต้องมีตังก็ทำบุญได้ เสียสละเวลาร่างกายของเราเไปช่วยงานต่างๆที่ไหนมีงานก็ไปไปช่วยทำงานอันนี้ก็ได้บุญนะไม่ต้องใช้เงินไปช่วยล้างซุ้มในวัดนี่ก็ได้บุญนะไปช่วยเก็บกวาดช่วยล้างถ้วยล้างชามอันนี้ก็ได้บุญนะบุญไม่ได้อยู่ที่การใช้เงินเพงอย่างเดียวบุญอยู่ที่เกิดจากการเสียสละเสียสละทางกายทางวาจาก็ได้ ถ้าเรามีความรู้แล้ว เ, เอาความรู้นี้ไปสอนคนอื่นเนาไม่เก็บตังค์เขาเราก็ได้บุญนะเช่นเด็กอยากจะมาเรียนพิเศษเราก็สอนพิเศษให้เขาแล้วก็ไม่เก็บตังค์เขาอย่างนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันฉะนั้นบุญมีหลายวิธีด้วยกันมีหลายแบบด้วยกันฉะนั้นไม่ต้องกลัวยิ่งคนจนนี่ทําบุญน้อยแต่ได้ได้บุญมากกว่าคนรวย เพราะว่าคนจนไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินมากก็ได้ความสุขเท่ากับคนรวยที่ต้องใช้เงินมากกว่าถึงจะได้ความสุขได้บุญเท่ากันงั้นอย่าไปดูที่ตัวจำนวนเงินให้ดูที่ความรู้สึกที่ใจเราว่าเรามีความสุขมากน้อยเท่าไหร่อันนี้แหละเป็นตัววัดของบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินทองเพียงอย่างเดียว เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ